เรื่องที่ส6หเรื่องพ่วงที่สามภาวะผู้นำมองกว้างคิดไกลไฝ่สูงตอนสองบรรยายเมื่อวันที่หมีนาคมพุทธศักราช2539้าสพูดมาเรื่องจริยธรรมนี่ก็มากแล้วตอนนี้ก็มา เข้าเรื่องภาวะผู้นำเสียทีแต่ว่าเรามองเรื่องของความไปผู้นำในแง่จริยธรรมบทฐานความคิดที่ว่าที่เราได้ทําความเข้าใจกันแล้วในเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยความเป็นผู้นำมีความหมายอย่างไรเป็นผู้นำบุคคลที่ไม่ได้เรียนรู้ทางวิชาการก็อาจจะมองเป็นว่าโอ้เป็นผู้ยิ่งใหญ่หรืออาจจะเป็นผู้มีอำนาจอะไรเงี้ยนะเป็นผู้กําหนดนะ ชะตากรรมคนอื่นอะไรต่างๆเป็นผู้ชี้อะไรต่างๆนะฮะชี้โชคชะตาของคนและสังคมอะไรเป็นตน้นมองไปอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ถูกใช่ไหมความเป็นผู้นําที่แท้นั้นประการหนึ่งก็คือว่าการที่นำเนี่ยไม่ใช่ทั้งไปชี้ไปกําหนดโชคชะตาคนอื่นไปใช้อํานาจแล้วก็ชั้งไม่ใช่ไปทําให้เขาด้วยใช่ไหม ได้ทาแทนให้เขาเป็นบันดาลให้โดนบันดาลให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นผู้ที่นําให้เขาทําพาเขาทําแล้วก็ช่วยให้เขาทําให้เป็นด้วยช่วยให้คนอื่นเนี่ยทำให้เป็นแล้วก็ไม่เฉพาะคนเดียวก็คือว่าให้เขาช่วยกันทําให้เขาช่วยกันทําจนกระทั่งสําเร็จก็นาําเขาเนี่ย ไปสู่ความสําเร็จซึ่งในการที่จะนําเขาไปสู่ความสําเร็จนี่ตัวเองต้องเป็นผู้เริ่มด้วยนะนอกจากที่ว่าเป็นผู้นําก็คือนําในการทําด้วยตัวเองทํานําเขาเลยไม่ใช่ไปเที่ยวชี้ให้เขาทาแล้วตัวเองก็ไม่ทำใช่ไหมดังนั้นอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งทีงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นําเขาเนี่ยนำเขาไปสู่ประโยชน์สุขหรือจุดหมายที่ดีงามแก่เขา ไม่ใช่นำเขาไปเพื่อประโยชน์กับตัวเองเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันหมายความที่เราทำมานำเขาอะไรตา่ตางๆเนี่ยเพื่อประโยชน์แกเขานะไม่ใช่นำเพื่อประโยชน์แกเราก็คือนำเขานำชีวิตของเขานำสังคมของเขาเนี่ยไปสู่ประโยชน์สุขและในกระบวนการนี้ก็ทำให้เขาได้พัฒนาด้วยซึ่งถ้ายองมาในหลักพุทธศาสนาถือว่าชีวิตของมนุษย์ี่อยู่ได้ดการฝึกฝน โดยการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาเพราะฉะนั้นการไปพูดนำความหมายอย่างหนึ่งก็คือนำเขาในการพัฒนาตัวเองด้วยซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยแต่ว่าไอ้ที่ผลออกมาก็คือว่าปรากฏการณ์เป็นอาการอย่างที่ว่าเป็นอาการที่ว่าเรานาเขาในเพื่อประโยชน์ของเขาแล้วก็นาเขานั้นก็คือช่วยให้เขาทาให้เป็นแล้วก็ ช่วยกันทำจกระทั่งสำเร็จโดยเราก็เป็นผู้เริ่มในการที่จะทาอันนี้ก็เป็นความเข้าใจบางอย่างเบื้องต้นที่ควรจะทราบทีนี้ก็ในเมื่อให้เกิดอาการอย่างนี้มันก็จะต้องมีลักษณะสำคัญสองประการของผู้นำก็คือว่าอันที่หนึ่งเราอาจจะเรียกว่าศรัทธาศรัทธาก็หนึ่งก็คือเขายอมรับเขาเชื่อเขาเชื่อถือในตัวผู้นาเนี่ย มีความยอมรับนับถือเชื่อเช่นเชื่อในสติปัญญาความสามารถมีปัญญารู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรจะเป็นประโยชน์มีความสามารถจะนำเขาไปสู่จุดหมายได้เขามีความเชื่อแล้วเขาอยากตามไม่ใช่เป็นผู้นำที่ไปสั่งให้เขาตามคือเป็นผู้นำที่เขาอยากให้นำเขาหรือเขาอยากจะตามเลยกลายเป็นผู้นาไปเองเราะเขาอยากตามเลยเรากลายเป็นผู้นำไปเองเพราะว่าตัวมี ให้คุณสมบัติที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รับผลที่ต้องการเพราะฉะนั้นอันนี้จะออกผลมาที่ว่าศรัทธานั่นเองศรัทธาซึ่งรวมทั้งความอยากด้วยนะอยากตามทีนี้นอกจากว่าจะเป็นศรัทธาที่โยงมาหาตัวผู้นำคือว่ายอมรับเชื่อถืออยากทำตามแล้วก็คือว่าตัวเขาเอง ก็จะเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตัวเขาที่จะทําได้ด้วยนี่ผู้นําที่สําคัญนะไม่ใช่ว่าจะให้เขามาเชื่อเราเท่านั้นนะแต่ทําให้เขาเนี่ยมั่นใจในตัวเขาที่ว่าเขาจะทําได้เพราะว่าในกระบวนการที่จะนําไปสู่จุดหมายเนี่ยผู้นําจะต้องให้เขาช่วยกันทําร่วมกันทำํำตัวเขาเองทําด้วยนะฮะในเขาก็เกิดความมั่นใจในศักยภาพของเขาเพราะฉะนั้นศรัทธานี่ก็เกิดในสองลักษณะคือเกิด ในความสัมพันธ์โยงกันระหว่างตัวเขากับผู้นำแล้วก็ในตัวเขาเองซึ่งโยงไปหาจุดหมายที่ต้องการนะว่าเขาเนี่ยสามารถจะทำได้มีศักยภาพนี้อยู่ศรัทธาสองด้านทีนี้ต่อไป อ, อันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของผู้นำนี้เพราะว่าเราจะให้เขาทำนำเขาทำผู้นำจะมีลักษณะสำคัญคือเป็นผู้ประสานความร่วมมือ เก่งในการประสานความร่วมมือหนึ่งทำให้เขาอยากร่วมมือหรือเพราะที่จะร่วมมือกับตัวผู้นําเองเนี่ยเออเราจะทํำปั๊บนี่เขาอยากจะมาช่วยมาทําด้วยนะมาร่วมมือด้วยเราบอกอะไรปั๊บเขาอยากจะทําขึ้นมาเลยนะไม่ต้องไปบังคับถ้าอย่างนี้ลรได้ความแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะมาร่วมมือกับผู้นําร่วมมือกันเองในหมู่เขาด้วยผู้นําก็ไปประสานความร่วมมือทําให้เกิด สิ่งที่เรียกว่าความสมาสามาัคคีความพร้อมเพรียงนั้นสิ่งสําคัญนี้ก็คือผู้นําจะต้องสามารถทําให้เขาพร้อมเพรียงอยู่ร่วมกันได้ดีด้วย น, นี่นก็ประสานความร่วมมือก็ไปอันว่าทั้งกับผู้นําและทั้งในหมู่พวกเขาเองด้วยก็ศรัทธาก็สองด้านการประสานความร่วมมือก็สองด้านอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะที่เด่นที่จะทําให้การนำนี้เกิดความสําเร็จ ยิ่งในสังคมประชาธิปตไตยเด้ออันนี้จะสำคัญว่าเวลานี้เราปกครองด้วยประชาธิปไตยใช่ั้ยความเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่ไปชี้ไปกําหนดไปสั่งแต่นี่ทำไงผู้นำจะทำให้เขาพร้อมที่จะร่วมมือและร่วมมือกันซึ่งยากมากนะ <c oughs> เรียกวัดความเป็นผู้นาได้เลยนะหนึ่งเขาศรัทธาไหยพร้อมที่จะตามอยากให้อยากตามหรืออยากทาให้มันนำเขาไหมแล้วเขา เกิดความเชื่อมั่นในตัวเขาที่จะทําได้ไหมแล้วก็เขาพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้นํำไหมนะี่คอยฟังอยากจะรู้ว่าผู้นําจะทําอะไรฉันจะทําเลยนะีแล้วก็เขาเองพร้อมที่จะร่วมมือกันด้วยนะีโดยเป็นผู้นําไปประสานความร่วมมือนั้นทีนี้ในสังคมประชาธิปไตยต้องเป็นนักประสานความร่วมมือระบบราชการต่อไประยนยาวก็เป็นเพียงตัวประสานความร่วมมือนี้เท่านั้นเอง แปว่ามันมาติดมาจากระบบเก่าทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นผู้กำหนดว่าจะเอายังไงอย่างไางไใช่ไหมแต่แม้แต่ประสานความต้องการประสานจุดหมายอะไรต่างๆก็ทาหน้าที่นี้ไปผู้นำก็จะประสานหมดเอาละทีนี้เรามาดูว่าความเป็นผู้นำนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นตัวอย่างสิว่าทรงเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้นำเพราะเราเรียกพระองค์ว่านายก คำนายกนี่เป็นคำที่เรียกพระพุทธเจ้ามาแต่เก่าและเราเอามาใช้เรียกผู้นำของเราว่านายกพระพุทธเจ้าเรียกนายกโกนายกที่เฉยบ้างเรียกว่าโล ก, กนายกโกก็บังก็เรียกก็เรียกน่ยโล ก, กนายกโกก็ป็นผู้นำโลกคำว่าโลกนี่ก็คือสังคมสมัยเก่านี้ในสมัยพุทธกาลคำว่าสังคมนี่เราไม่ได้ใช้ในความหมายปัจจุบันคำว่าสังคมก็ใช้คำว่าโลกนั่นเอง ในอินเดียด้วยจะยังใช้อยู่เลยคํามันโลก <c oughs> เป็นหมายถึงสังคม <Yeah. S 1> อันนี้โล ก, กนายกก็ผู้นําของสังคมหรือผู้นําโลกพระพุทธเจ้าก็เป็นอันนี้ <Yeah. S 1> แล้วก็ความเป็นนายกอันนี้ก็ออกมาเป็นสรรนะนะเป็นที่พึ่งนะเป็นที่เตือนใจระลึก <Yeah. S 1> พอเป็นที่พึ่งก็คือเตือนใจระลึกเตือนใจระลึกอะไรเราจะดูที่ว่าเออความเป็นผู้นําของพระพุทธเจ้ามีตั้งแต่การที่เราลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความหมายอะไรขึ้นมา yeah. การราลึกถึงพระพุทธเจ้าจะมีความหมายสี่ประการหนึ่งคือเมื่อเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราใช้คำว่าศรัทธาใช่ไหมเกิดศรัทธาศรัทธานั้นมั่นใจในความเป็นมนุษย์และศักยภาพของมนุษย์พอเราลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ปั๊บพระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์มีธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ชีวิตที่ดีจะดีได้ได้ศิกขาคือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาทั้งสิ้น นี่ธรรมชาติมนุษย์อันพื้นฐานเนี่ยที่เป็นหลักการใหญ่ของพุตรศาสนาหลักการบุทรศาสนาตั้งขงึ้นบนฐานความเชื่อนี้ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะประเสริฐด้วยการฝึกเมื่อฝึกแล้วมนุษย์พัฒนาดีแล้วฝึกตนแล้วนี่ประเสริฐสุดแม้แต่เทพพรหมต้องนมัสการไว้นั้นไม่ต้องนมัสการจะยินดีนมัสการเราไม่บังคับใครให้เป็นวิทย์กันอย่างไก็หมายความแม้แต่เทพพรหมก็หันมากราบมนุษย์ที่พัฒนาแล้ว ฉะนั้นมนุษย์ก็จะมีว่าเออมีพระพุทธเจ้าเนี่ยพัฒนาพระองค์ไปจกนกระทั่งว่าเป็นบุคคลที่เป็นอุดมคติสูงสุดดีเลิศประเสริฐทั้งพร้อมในปัญญาทั้งพร้อมในพระคุณกรุณาทั้งพร้อมในความบริสุทธิ์ทั้งพร้อมในความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีความสุขทุกประการนะเป็นมนุษย์แบบอย่างเลยนี้พอเราเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าโอ้มนุษย์ฝึกได้เนี่จริงๆมีตัวอย่าง มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวแบบมาให้แล้วก็เกิดความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของตัวเองว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ดูสิพุทธเจ้ามนุษย์นี่แหละฝึกตนแล้วเป็นได้ถึงขนาดนี้เราก็เป็นมนุษย์เราก็ฝึกตัวได้เพราะฉะนั้นก็พอร ะ, ะลึกถึงพระพุทธเจ้าความไปผู้นําของพระองค์เนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจในศักยภาพความเป็นมนุษย์อ่าเอาแล้วเราก็เกิดกําลัง เกิดความพร้อมที่จะฝึกและที่จะศึกษาฝึกฝนพัฒนาหน hmm. สองก็เกิดความสํานึกในหน้าที่ของมนุษย์เลยมันไม่ใช่เฉพาะว่าศรัทธามั่นใจในสกิภาพแต่หน้าที่ของมนุษย์คือเธอต้องฝึกตัวเพราะนั้นเราจะต้องฝึกตัวเองต้องทําหน้าที่และต่อไปนี้ก็คือถึงขั้นใกล้ภาคปฏิบัติใช่ไหมตอนแรกเกิดความเชื่อมั่นใจทีนี้ออกสู่ภาคปฏิบัติสํานึกในหน้าที่ต้องทำ ต้องฝึกตนต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาอ้าทีนี้ต่อไปพอจะทำเขาจริงแหมมันช่อ่อนใจแลวมันยากนะพอลรลึกถึงพระพุทธเจ้าเกิดกำลังใจโอ้พระพุทธเจ้าดูประวัติของพระองค์สิกว่าจะมาเป็นพุทธาในพระองค์มีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามมีความเสียสละไม่มีการทอถอยเสียสละแม้แต่พวกผู้อื่นสละชีวิตเพื่อทาความดีสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือเขา ไม่มีการเขาถอยไม่มีระยอ่อแม้จะถูกกลั่นแกล้งไงก็ไม่ระยอในการทําความดีดูในพุทธประวัติชาตินี้ไม่พอไปดูในประวัติอดีตในชาดกในตอนเป็นโพธิสัตว์อีกพอไปดูประวัติพระพุทธเจ้าเห็นแบบอย่างนี้แล้วก็เกิดกําลังใจคึกสู้ต่อไม่ถอยนะบอเออเราทําดีถ้าตายไม่ได้ผลแล้วจะอะไรก็ทอแหละพอไปเห็นพระพุทธเจ้าโอ้ท่านโดนแกล้งเหมือนกับเราเยอะแยะท่านยังสู้อ้าวต่อสู้ต่อนะเกิดกําลังใจ สาอมและสี่อะไรสี่ก็ได้วิธีการได้วิธีจากแบบอย่างของพระองค์พระองค์ทํามาแล้วลองผิดลองถูกกว่าจะสําเร็จเสียเวลามากเรานี่ได้สําเร็จรูปจากพระพุทธเจ้าทํามาแล้วได้ประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเอามาใช้เลยเราไม่ต้องไปลําบากลองผิดลองถูกนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ตัวอย่างเป็นวิธีการเป็นประสบการณ์ที่มาใช้ประโยชน์ได้เลย จากผู้นำวันนี้ได้ประโยชน์สี่อย่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ระลึกแล้วที่เรียกว่าเป็นศรณนก็ทําทให้เราได้สี่ประการเอาละทีนี้เรามาดูว่าความเป็นผู้ น, นํานี้พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นตัวอย่างสี่ว่าทรงเป็นผู้นําพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้นําเพราะเราเรียกพระองค์ว่านายโกนายกคํำพนายกนี่เป็นคําที่เรียกพระพุทธเจ้ามาแต่เก่าและเรามาใช้เรียกผู้นําของเราว่านายกเนีย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 อันนี้โลกนายกก็ผู้นำของสังคมหรือผู้นำโลกพระพุทธเจ้าก็เป็นอันนี้แล้วก็ความเป็นนายกอันนี้ก็ออกมาเป็นสรณะนะเป็นที่พึง่งนะเป็นที่เตือนใจระลึกพอเป็นที่พึ่งก็คือเตือนใจระลึกเตือนใจระลึกอะไรเราจะดูที่ว่าเ อ, อความเป็นผู้นำของพระพุทธเจ้ามีตั้งแต่การที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความหมายอะไรขึ้นมาการระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะมีความหมายสี่ประการหนึ่งคือ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 นี่ธรรมชาติมนุษย์อันพื้นฐานเนี่ยที่เป็นหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาหลักการพุทธศาสนาตั้งอยู่บนฐานความเชื่อนี้ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะประเสริฐด้วยการฝึกเมื่อฝึกแล้วมนุษย์พัฒนาดีแล้วฝึกตนแล้วนี่ประเสริฐสุดแม้แต่เทพพรหมต้องนมัสการไว้อย่างนั้นนะไม่ต้องนมัสการจะยินดีนมัสการเราไม่บังคับใครเป็นวิทย์กันอย่างไรก็หมายความแม้แต่เทพพรหมก็หันมากราบมนุษย์ที่พัฒนาแล้ว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 ไม่มีการท้อถอยไม่มีระยอ่อแม้จะถูกกลั่นแกล้งไงก็ไม่ระยอในการทําความดีหากดูในพุทธประวัติชาตินี้ไม่พอไปดูในประวัติอดีตในชาดกในตอนเป็นโพธิสัตว์อีกพอไปดูประวัติพระพุทธเจ้าเห็นแบบอย่างนี้แล้วก็เกิดกำลังใจคึกสู้ต่อไม่ถอยนะก็เออเราทําดีถ้าตายไม่ได้พ้นแล้วจะไรก็ทอแหละพอไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าโอ้ท่านโดนแกล้งมืนกับเราเยอะแยะท่านยังสู้อ้าวต่อสู้ต่อนะเกิดกํำลังใจ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 ตัวอย่างเป็นวิธีการเป็นประสบการณ์ที่มาใช้ประโยชน์ได้จากผู้นําวันนี้ได้ประโยชน์4อย่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ระลึกแล้วที่เรียกว่าเป็นศาสนาก็ทําให้เราได้4ประการพอเราได้4ประการนี้เราก็เข้าสู่ตัวธรรมะก็ะคือหลักปฏิบัติความเป็นจริงของธรรมชาติการที่จะต้องนำเอาความจริงนั้นกดเกณฑ์เหตุผลมาใช้ในชีวิตของเราทําให้เป็นไปตามนั้นแล้วเราก็จะได้สร้างสารรค์สังคมมนุษย์ที่ดีขึ้นเป็นสังขะ ในชุมชนที่ประเสริฐนี่เรียกว่ารัตนไตรแต่ว่าเราได้พุทธเจ้ามาเป็นผู้ น, นำนี่ได้สี่ประการก็นี่ก็คือลักษณะผู้นำตามที่ว่ามานี่ก็เท่ากับว่าบุคคลผู้นำนั้นถ้าจะเอาแบบอย่างนี้ต้องเป็นคนสมบูรณ์เลยใช่ไหมเพราะว่าไปพัฒนาตนเต็มที่แล้วถ้าไม่ได้ถึงขนาดนี้ก็ต้องพัฒนาตนให้ดีอ่ะต้องพัฒนาตนได้ดีมากแล้ว แล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่เกิดความเชื่อมั่นอย่างที่ว่าแล้วก็เกิดกําลังใจนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราลึกถึงผู้นําเห็นแบบอย่างแล้วก็ได้วิธีการปฏิบัติไปด้วยอันนี้โดยในนี้ความเป็นผู้นําจะมีลักษณะที่ว่าเป็นบุคคลที่เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนั่นเองนะคือไม่ใช่เป็นเจ้านายใช่ไหมนะก็คือเป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงเรียกทงว่าเราเป็นกรรารัญนามิตรของสัตว์ทั้งหลายว่าอย่างนั้นีน่พระสูตรหนึ่งเลยอาศัยเราผู้เป็นกรรารัญนามิตรสัตว์ผู้ตกอยู่ใต้ด้านของชาติาราภยาที่มรณะโสกกระบริเทวทุกขโทมนานัตุปายายจึงพ้นจากภาวะเหล่านั้นแมายควาอาศัยเราผู้เป็นกรรารัญนามิตรสัตว์ผู้ยอยู่ในความทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์ไปได้นอนี้นนนก็คือสถานะของผู้นําเป็นกรรารัญยามิตร ทีนี้พอเป็นกัรยานามิตรเราก็มาดูคุณสมบัติแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคุณสมบัติก็อยากจะพูดเน้นบางอย่างนะคือลักษณะที่เด่นของผู้นาอันหนึ่งก็คือปัญญาใช่ปัญญาที่รวมทั้งการที่รู้เข้าใจชัดเจนชัดเจนในจุดหมายที่จะไปนะว่ามันเป็นมันเป็นมันคืออะไรแล้วมันดีอย่างไร มันจึงควรจะเป็นจุดหมายถ้าผู้นําไม่สามารถชี้จุดหมายได้ผู้นําเองก็พร่าแล้วจะนำเขาไปไหนนะอันนี้สำคัญมากนะเวลานี้ผู้นํามีปัญหามากยิ่งในยุคปัจจุบันในสังคมมีปัญหาสับสนวุ่นวายอย่างนี้ตัวผู้นําเองก็ไม่ชัดเจนในจุดหมายเขาะจะพากันไปไหนนนี่สังคมนะสังคมก็สับสนพร่าหมดเลยเวลานี้สังคมไทยสังคมโลกไม่รู้จะไปไหนใช่ไหม อะไรเป็นจุดหมายสังคมสังคมที่ดีชีวิตที่ดีคืออย่างไรบอกไม่ถูกเนีแล้วจะพากันไปไหนล่ะก็ตั้งให้รูปแบบขึ้นมาอันหนึ่งอย่างสมัยหนึ่งก็บอกว่าต้องเศรษฐกิจสมบูรณ์มีพั่งพร้อมมีเงินมีทองใช่มากที่สุดแล้วก็จบใช่ไหมเวลานี้บอกว่าเศรษฐกิจดีอย่างเดียวไม่พอมันเป็นการพัฒนาไม่ยั่งยืนใช่ไหมทีนี้พอบอกพัฒนาไม่ยั่งยืนทีนี้ยิ่งเคว้งควางไม่รู้จะเอาอะไรแหละแล้วผู้นําส่วนมากก็ยังติดอยู่กับเศรษฐกิจนี่แหละต้องบอกว่า เอาแล้วให้มันมีเงินมีทองกัใช้กระพา อ, อะไรต่างๆและสภาพสังคมมันก็เป็นจริงอยู่เยอะที่ว่ายัางไม่มีความคล่งพร้อมอยังมีความขาดแคลแนแรแคนมากแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวจริงนะมันไม่พอแค่นั้นนั้นเวลานี้ก็สับสนแม้แต่เรื่องของความชัดเจนในจุดหมายตัวปัญญามันไม่พอแล้วเนาะแล้วก็นอกจากว่าเป็นผู้ที่ชัดเจนในจุดหมายมีปัญญาแล้วก็คือว่าต้องเป็น ถ้ายัางไม่สมบูรณ์จริงต้องเป็นนักสแสวงปัญญาด้วยนะไม่ใช่เป็นเพียงว่ารู้อยู่เท่าไรก็เท่านั้นต้องเป็นนักสแสวงปัญญาต้องคอยตื่นตัวหาปัญญาอยู่เสมอนะแล้วก็ทําเมื่อตัวเองมัดมีความชัดเจนแล้วมันจะทําให้คนอื่นเกิดความมั่นใจในจุดหมายนั้นด้วยรก็คือศรัทธามันจะึงจะเกิดขึ้นนะนอกจากนั้นแล้วก็คือนอกจากมีความชัดเจนตัวเองมั่นใจชัดเจนมันก็มั่นใจด้วยนะ พอปัญญามันชัดเน่ยไอตัวความมั่นใจศรัทธามันก็ชัดด้วย i. ทีนี้ทําได้เอาละสิทีนี้ผู้นำเนี่ยต้องทําได้ตัวเองทําได้จะนําให้เขาทําตัวต้องทําได้นีหรือบอกให้เขาทําได้นในสิ่งนั้นด้วยนก็หมายความว่าเหมือนอย่างเดินจะไปสู่จุดหมายเราก็ต้องรู้จุดหมายที่จะไปแล้วเราก็เดินไปจุดหมายนั้นได้ด้วยเนี่ยเราพาให้เขาเดินไปได้เนีย นี่ก็ต่อไปอะไรอีกล่ะทีนี้ถายเขาเดินไปได้ก็ต้องรวมใจเขารวมคนได้นะรวมให้คนเนี่ยเขาผนึกกันร่วมกันเดินไปได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่แตกกระจาดจะคนหนึ่งไปทางคนหนึ่งไปทางทะเลเบาแวงกันอยู่ก็ไปไม่รอดอีกเนะีนะ่ยนเป็นจุดประสานที่ว่าเมื่อกี้ตล่อมคนให้รวมกันได้อยู่ในความสามาัคคีสุดการรวมใจคนเนี่ย มันมีความหมายตั้งแต่รวมใจให้มั่นในผู้นําด้วยใช่ไหมแล้วก็รวมกันเองไงรวมมันมีเยอะเลยที่จะต้องมีคุณสมบัติที่เมาช่วยรวมคุณสมบัติอะไรจะมารวมคนได้เนี่ยก็คือเรื่องที่เราจะต้องพูดกันต่อไปใช่ไหมซึ่งอาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่ดีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีความรักความอุ่นความหวังดีต่อเขาตลอดเป็นความเป็นธรรมเนี่ยจะรวมใจคนนี้ต้องมีความเป็นธรรมด้วยนะอ่ะอาอ้าวทีนี้ดูต่อไปทีนี้ นอกจากนั้นก็คือว่าต้องนอกจากว่าตะล่อมคนให้รวมกันอยู่ได้เดินไปได้วยกันได้แล้วก็คือตะล่อมให้คนอยู่ในหลักการด้วยนะหลักการเพราะว่าไอ้จุดหมายจะสําเร็จได้หลักการการมีจุดหมายต้องมีตัวหลักการเป็นฐานที่จะทําให้สําเร็จผลตามจุดหมายนั้นจุดหมายไปจากหลักการ นี่จะต้องให้คนเนี่ยอยู่ในหลักการนั้นได้ถ้าคนไม่อยู่หลักการจุดหมายไม่มีทางสำเร็จก็ต้องสามารถตัล้อมคนให้อยู่ในหลักการด้วยเยต่อไปก็ต้องมีความฉลาดในวิธีการอีกแล้วทีนี้นไอ้สามตัวเนี่ยมันโยงกันอยู่จุดหมายหลักการวิธีการจุดหมายอยู่ปลายนี้ไอ้หลักการอยู่จุดต้นนี้ไอ้ตัวเชื่อมหลักการกับจุดหมายก็คือวิธีการใช่หม มันจะทำให้วิธี ห, หลักการในสมริตผลสู่จุดหมายในคนที่ไม่ฉลาดในวิธีการก็จบอีกนี่แต่ว่ามันก็ไปรวมอยู่ในปัญญาอีกนั่นแหละปัญญาที่ชัดเจนในตัวเองต้องชัดเจนในจุดหมายตัวเองต้องชัดเจนในหลักการและตัวเองต้องรู้วิธีการด้วยแต่เรามาแยกแล้วทีนี้ต่อไปก็คือผู้นานี้ก็มีความตื่นตัวอยู่เสมอนีเพราะว่าในการที่จะ เดินหน้านําเข้าไปนั้นมันมีภัยอันต ร, รายมีอุบสติศักมีความเปลี่ยนแปลงที่ตลอดเวลาวิธีการที่จัดขึ้นมานี่สภาพสถานการณ์แวนล้อเปลี่ยนปั๊กวิธีการปรับไม่ทันใช้ไม่ได้ใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้อุปสริศปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาอันต ร, รายต่างๆเกิดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้นําจะต้องมีความตื่นตัวทันต่อสถานการณ์ไวต่อ การรับรู้เรื่องราวต่างๆอยู่เสมอนะก็เลยต้องไม่มีความหลับไหลไม่หลงไหลไม่เผลอโมโหเมาอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็ไม่ประมาทใช่ไหมกระวนอย่างในคำว่ามีสติไม่ประมาทนั่นเองมีสติไม่ประมาทก็รวมมันนี้หมดคือว่าตื่นตัวทันต่อสถานการณ์ไวต่อความเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างแล้วก็จะทําให้คนต่างๆที่อยู่ใน ที่ร่วมกันเนี่ยมันจะได้ไม่พลอยจมอยู่ด้วยเนียเพราะถ้าผู้นํำมัวเมาเสียอย่างก็จบเลยแล้วต่อไปก็ <c oughs> นอกจากวัยตื่นตัวก็ไม่หวั่นไหวด้วยนะเนี่ยบางคนวัยแต่มันหวั่นไหว <c oughs> มันตื่นตัวแต่มันตื่นเต้นด้วยใช่ทีนี้มันทาไงจะตื่นตัวแต่ไม่ต้องตื่นเต้นเนี่ยอันนี้สิสําคัญจิตที่มั่นคงเรียบสนิท นี่คือภาวะจิตที่ท่านเรียกว่าอุเบกขาซึ่งหาได้ยากเดีมากคนจะเข้าใจผิดหมดนึกว่าอุเบกขาคือเฉยเฉยแบบไม่เอาเรื่องอาราวท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาเพาเฉยโง่คือเฉยไม่รู้อัญญานุเบกขาเป็นกันมากคือไม่รู้เรื่อง ร, ราวก็เฉยทีนี้เฉยแบบผู้นํานี่คือเฉยได้ปัญญาเฉยได้ปัญญาหมายความว่าไงยกตัวอย่างมีสถานการณ์เกิดขึ้นน่าตื่นเต้น เป็นเหตุร้ายจะมีคนสาพวกคนพวกหนึ่งนั้นไม่รู้เรื่องลุล่าเพราะแกไม่รู้เรื่องรู้ราวแกก็ฉเฉยสิใช่ไหมการถ้าไม่รู้นี่ก็จะทําไงแกต้องเฉยเฉยเพราะไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้เรื่องไม่เอาเรื่องท <hiring. S 1> ีนี้อีกพวกหนึ่งนั้นรู้ครึง่งไม่รู้ครึง่งหรือรู้เหตุการณ์แต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงพวกนี้จะตื่นเต้นโวยวายลุกขึ้นมากร ะ, ะโดดโลดเต้นและอะไรบางทีทําให้เรื่องใหญ่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยวุ่นวายหนักเข้าไปอีกน อันนี้พวกที่สองเป็นกันมากอีกเหมือนกันนะโวยวายแก้ปัญหาไม่ได้กลับทําให้สถานการณ์เลวร้ายหนักขึ้นไปอีกทีนี้พวกที่สามน้อยอันนี้ไม่ไม่ควรจะเป็นพวกละเป็นบางคนและ้วนะีบางคนนี่รู้เข้าใจหมดสถานการณ์นี้คืออะไรเป็นอย่างไรเหตุปัจจัยมาจากอะไรนะพอรู้เหตุปัจจัยแล้วจะแก้อย่างไรการแก้นั้นจะต้องวางเป็นจุดๆจะแก้จุดไหนทําอะไรอย่างไรพอรู้อย่างนี้ปั๊บเฉ ย, ยนี่นะฮะ ใจเขาเรียบสงบแต่มีความมั่นใจมั่นคงไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาถึงจังหวะปั๊บจัด ก, การถึงจังหวะปั๊บจัด ก, การถึงจังหวะปับจัด ก, การทุกอย่างเรียบร้อยหมดนี่โพี่สามนี่ทาเ่าอุเบกขานี่นี่คืออุเบกขาที่แท้อุเบกขาต้องมาได้ปัญญาคนไม่มีปัญญาจะอุเบกขาไม่ได้ถ้ามีอุเบกขาจะเป็นอุเบกขาแบบปัญญาอุเบกขาคือเฉยงโง่เฉยงโง่ก็คืออกุศลเ น, น คือไม่รู้เรื่องไม่เอาเรื่องและไม่ได้เรื่องนะส่วนคนที่มีอุเบขาได้ปัญญานั้นจะเฉยรู้เรื่องเฉยเอาเรื่องและเฉยได้เรื่อง <c oughs> อ้าวที่นี้ก็ไปอนว่าไม่หวั่นไหวละนะมั่นคงที่นี้ก็เป็นหลักสำคั ญ, สำ ค, ญสำคัญและนะนอกจากนั้นก็มีปัญญาเหมือนกันก็ขุมท้ายก็คือสายตากว้างไกลนะนะมองเห็นกว้าง อะไรที่จะมีเกี่ยวข้องกับทุกข์ก์เทือนยังอยู่ในประเทศไทยรู้ไปทั้งโลกรู้ไปทั้งจั ก, กรวาลเนนะีต้องรู้หมดนะมองกว้างมองเหตุการณ์ที่นี่ไม่ได้มองอยู่แค่นี้มองโยงสัมพันธ์ไปทั้งระบบมองไปทั้งสังคมมองไปทั้งประเทศมองไปทั้งโลกไอ้ที่เกิดเหตุการณ์นี้มันจะมีผลกระทบไม่เฉพาะที่นี่มันส่งผลไปถึงทั้งสังคมทั้งโลกอย่างไรผลเหตุที่เกิดขึ้นจากภายนอกมันจะส่งผลกระทบมาถึงเราอย่างไร การมองกว้างอย่างนี้จึงจะทำให้ทันต่อเหตุการณ์และจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดเพราะงั้นไม่ได้ยิ่งเวลานี้เป็นโลกาภิวัต ด, ด้วยเนะี่ยการมองกว้างนี่สาคัญมากทีนี้ถ้าผู้นำมองไม่กว้างเนี่ยแย่เลยเนะีมองกว้างทีนี้ก็ต่อไปก็ต้องคิดไกลคิดไกลก็หมายความว่าจะต้องคิด สาวหาเหตุปัจจัยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรมันจึงเกิดผลอย่างนี้ขึ้นมานี้อย่างสังคมปัจจุบันนี้ที่เกิดเป็นอย่างนี้มันมีเหตุปัจจัยอะไระการที่จะรู้จักอะไรจริงๆต้องรู้ทั้งเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นไม่ใช่แค่รู้จักผลถ้าใครเขารู้แค่ผลนะไม่รู้จักสิ่งนั้นจริงผิวเผินมากอย่างถ้าเรารู้จักสังคมมริการต้องถามว่ารู้จักเหตุปัจจัยสังคมเมริการไหม ถ้าไม่รู้ไม่รู้จักสังคมอเมริกันใครไปรู้แค่สังคมอเมริกันปัจจุบันนี้เรียกว่าผิวเผินเั็มทีแล้วพลาดด้วยเพราะว่าสภาพปัจจุบันของอเมริกา น, นั้นคือเหตุปัจจัยที่จะให้อเมริกาเป็นอย่างไรในอนาคตในสภาพปัจจุบันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเสื่อมก็ได้และอเมริกากําลังเสื่อมจริงๆด้วยใช่ไหมอเมริกาเองกําลังโอดควรวญร้องทุกข์กันอยู่ว่าเวลานี้จะแย่แล้วทุกอย่างในสังคมนี้มันจะแตกสลาย ทํานายก็ว่าอเมริกานี่จะเป็นประเทศโลกที่สามภายในปี2020หรือไม่งั้นก็อาจจะช้าไปอีก10ปีหรือ15ปีโดยมากในอเมริกาเวลานี้ค่อนข้างเชื่อแน่ว่าประเทศตัวเองเนี่ยอารยธรรมจะต้องสลายแล้วก็มีความข้าครนณ การถึงการสูญเสียความยิ่งใหญ่อะไรต่งตางๆไปนี้นี้เราไปรู้จักอเมริกาปัจจุบันจบถึงผลที่สุดต้องรู้ว่าอเมริกาเป็นเพราะอะไรจึงมาเป็นอย่างนี้นะต้องรู้อเมริกาเมื่อเหตุปจัจจัยของเขาร้อยปีมาแล้วสองร้อยปีมาแล้วหรือตั้งแต่อยู่ยุโรปมาอย่างไงเป็นอย่างไงเนี่ยทำไมอเมริกาจึงเป็นอย่างนี้เนี่ยเจริญในเศรษฐกิจเพราะอะไร นีมีอุตสาหกรรมเจริญขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรต้องรู้เหตุปัจจัยอันนั้นนีอันนี้ก็คิดไกลแล้วคิดไปถึงเพราะคิดย้อนอดีตได้ไกลก็จะคิดถึงอนาคตได้ไกลด้วยใช่ไหมเพราะว่าการสั่งสมประสบการณ์เหตุปัจจัยทั้งหมดตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันจะส่งผลไปถึงอนาคตเราก็วางแผนอนาคตว่าจะเอาอยัางไงจะให้เป็นยังไงโดยสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ฝันลอยๆเนียถ้าฝันฝันลอยๆก็ไม่เป็นวางแผน ลอยก็คือคนที่ไม่รู้สภาพปัญหาและเหตุปัจจัยถ้าคนรู้เหตุปัจจัยปัญหาก็วางแผนได้อนาคตก็มองไกลได้และอย่างหนึ่งก็ไฟสูงไฟสูงหมายความว่าคิดถึงอุดมคติสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐไม่ใช่ไฟราบยศความเจริญทางวัตถุอำนาจนะได้เงินทองมากอะไรต่าง มีซับมีอำนาจฝ่ายอย่างนี้เรียกว่าใยต่าใช่ไหมทีนี้คนไทยเดยมากไปเข้าใจผิดฝ่ายสูงนึก ว, ว่าจะได้ยศตําแหน่งอะไรเรียกว่าฝ่ายสูงผิดหมดถ้าเรียกทางพระต้อเรียกว่าฝใยต่ำใยสูงก็คือฝ่ายในความดีงามสูงสุดใช่ไหมว่าชีวิตจะดีงามอย่างไรสังคมจะดีงามประเสริฐอย่างไรจะพาสังคมไปสู่ความดีงามนี้ใช่ไหมนี่เรียกว่าฝ่ายสูงนีอย่างพระพุทธเจ้านี่ายสูง พระุทธเจ้าจึงได้กระสู้ไม่ไปสูงไม่มาเพียงพยายามเปษษ็นโพธิสัตว์ฉะนั้นผู้นำก็ต้องมองกว้างคิดไกลไปสึงนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องทางด้านปัญญาเอาแล้วทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องจุดที่เน้นแล้วก็มาพูดถึงคุณสมบัติของผู้นำบ้างจากฏว่าสิบโมงสีสิก็ไปแล้ว น, ะนี่กาที่ผู้นำเนี่ยจะประสานหมู่ชนไว้ได้เนี่ยนะ มันก็ต้องมีคุณสมบัติในตัวเองเมื่อกี้นี้บอกว่าต้องต้องให้ได้ทั้งศรัทธาและได้ทั้งการประสานความรู้มือทีนี้จะพูดจากการประสานก่อนการประสานหมู่ชนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่หลักพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากพระพุทธเจ้าตั้งทรงขึ้นมาเป็นการจัดตั้งองค์กรใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่มีความสามารถพิเศษสองอย่างคือหนึ่งเข้าถึงความจริงของธรรมชาติเราเรียกว่าเข้าถึงตัวธรรม สอนานความรู้ในความจริงขอธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมนั้นมาจัดตั้งวางระบบขึ้นเรียกว่าวินยัยการจัดตั้งวางระบบในหมู่มนุษย์เรียกว่าวินยัยวินัยไม่ใช่ความหมายแคบๆต่พระเจ้าโนนปรากฏเกณฑ์อะไรกับมนรู้ย์ระเบียบวินัยก็คือการที่สองอย่างพุทธศาสนามีสองอย่างท่านี้คือธรรมะกับวินยัยธรรมะก็คือการรู้ความจริงในธรรมชาติเข้าถึงมัน2ก็คือ น, นอกจากรู้แล้วเอาความรู้ในธรรมชาติในความจริงนั้น มาจัดตั้งวางระบบเพื่อให้หมู่มนุษย์ได้ประโยชน์จากความจริงนั้นด้วยถ้าได้แต่เข้าถึงความจริงนั้นเข้าถึงธรรมะอย่างเดียวไม่สามารถจัดตั้งวางระบบให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากความจริงนั้นได้เป็นแค่ปฏจเเกพุทธเจ้าเพราะปฏิเจกพุทธเจ้าได้แค่อันเดียวแต่เป็นสมะัะพุทธเจ้าเขาได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหนาไม่ทำกับวินยัย การจัดตั้งวาระบบถือเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องสมมติแต่เป็นเรื่องสําคัญว่าสมมตินี่ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเหลวไหลสมมตินี่เรื่องออสมมําคัญว่าอรารยธรรมของมนุษย์เกิดจากมนุษย์สามารถในการสมมติแต่มันสมมติถูกไม่ถูกนี่นอีกปัญหาหนึ่งสมมตินั้นจะถูกเมื่อมนุษย์เนื้อรู้ตัวธรรมรู้ตัวความจริงของธรรมชาติถ้ามนุษย์ไม่เข้าถึงตัวความจริงของธรรมชาติมนุษย์จะวางสมมติไม่ถูกแล้วก็จะเกิดความวิปริตผันแปรคือเป็นทฤษฎีต่างๆที่ไม่สมรรถผล ทฤษฎีต่างๆก็คือการพยายามเข้าถึงความจริงนันธรรมชาติและนําวความรู้ในความจริงนั้นมาจัดตั้งวางระบบในหมู่มนุษย์ <med> ใช่ไหมทฤษฎีเป็นตัวเชื่อมแต่ว่าถ้าเขาไม่ถึงความจริงนันธรรมชาติจบไอ้สมมติที่จัดตั้งวางระบบมันก็ไม่สมฤทธิผลจริงใ น, นกันหนึ่งต้องเข้าถึงความจริงนันธรรมชาติคือถึงธรรมะแล้วสองก็เอาความรู้ในความจริงนั้นมาจัดตั้งวางระบบแบบแผนในหมู่มนุษย์และมนุษย์อื่น หมู่มนุษย์ก็ได้ประโยชน์จากตัวความจริงนั้นด้วยธรรมะคือตัวความจริงและววินัยก็คือตัวการจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์คู่กันพระพุทธเจ้าต้องสามารถทั้งสองอย่างจึงได้เป็นสมมาสมพุทติเจ้าทันี้อา้าวว่าเลยไปแล้วทําไมออกไปเรื่องนี้ซะแล้วเอาไปว่ามีความสามารถสองอย่างนะทีนี้ก็ตอนนี้ก็จัดตั้งวางระบบพระพุทธเจ้าก็ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมานะชุมชน ชุมชนนี้ก็จะมีหลักการสําคัญก็คือต้องมีความสามัคคีเพร่อเพียงอยู่ร่วมกันได้ดีเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยต่อการที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองไปเข้าถึงตัวธรรมะได้และจะได้ประโยชน์จากธรรมะไงะใช่ไหมอม้ฉะนั้นวินยัยไอ้ตัวการจัดตั้งว่า ร, ระบบของมนุษย์มันจะไม่สำฤทธิ์ผลดังนั้นไอ้ตัวชุมชนการจัดตั้งนี้ก็ต้องวางให้ดีวางแล้วก็ต้องให้เขาอยู่ร่วมกันได้ดีด้วย หลักการอยู่ร่วมกันได้ดีก็เรียกว่าสามัคคีทาไงจะให้ชุมชนที่เรียกว่าสังฆะเนี่ยมีสามัคคีก็คือมีสังฆะสามัคคีเพราะฉะนั้นหลักการของสังฆะก็เลยต้องมีสามัคคีเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะถ้าไม่สามัคคีปับ๊บไอตัวสภาพแวดล้อมระบบ ก, การเป็นอยู่ที่วางไว้ให้นี่เร่รวนหมดแล้วตัวบุคคลนั้นไม่ได้ประโยชน์จะทำมาที่ต้องการจะให้เขาได้ประโยชน์ใช่ไหม เพราะนั้นก็ต้องจัดสรรระบบสังคมนั้นก็คือวินัยวินัยก็คือกฎจัดจัดตั้งวางระบบวินัยจัดตั้งวางระบบมนุษย์ขึ้นเป็นสงสงนั้นอยู่ได้สามัคคีเมื่ออยู่ในวินัยระบบที่วางไว้ก็เกิดสามาคัคคีสามัคคีก็สังฆนะณชุมชนนั้นก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เ อ, อื้ออํานวยเอื้อโอกาสให้แต่ละคนที่อยู่ในชุมชนนั้นพัฒนาตัวเองจนได้ประโยชน์จากธรรมะเข้าถึงธรรมะได้เนีนยก็ย้อนกลับไปที่ธรรมะตามเดิมใช่ั้มเป็จุดตั้งตน ท่า น, นธรรมะจึงเป็นทั้งจุดต้นและจุดปลายของวินัยนะเพราะว่าการที่จะวางระบบสังคมมนุษย์ต้องอิงอยู่พื้นฐานกับความจริงในกฎธรรมชาติตัวธรรมะนี้แลว้ววางเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้เข้าถึงในตัวความจริงนี้ได้ประโยชน์จากความจริงใช่ไหมทำวินัยนี้ต้องคู่กันตลอดในพุทธศาสนาธรรมะนันพะพุทธเจ้าใช้คําว่าแสดงเพราะเป็นของจริงอยู่ตามธรรมดาพุทธเจ้าบอกว่าเราจะเกิดหรือไม่เกิด ความจริงมันก็มีอยู่ของมันตามธรรมดาอย่างนั้นเราไปค้นพบแล้วก็มาบดเผยแสดงชี้แจงให้เข้าใจง่ายอย่างนี้เรียกว่าแสดงธรรมะแสดงเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามาทําขึ้นเองแล้วก็วินัยพระพุทธเจ้าใช้ว่าบัญญัติใช่ไหมบัญญัติเพราะว่าเป็นของวางตั้งจัดระบบขึ้นมาเป็นของสมมติแต่ธรรมะนั้นมีบัญญัติบ้างเหมือนกันคือหมายความว่าความจริงมันมีอย่างเนี้ยมาวางให้เป็นระบบเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างนี้เรียกว่าบัญญัติได้เหมือนกันแต่เราต้องเข้าใจว่า ที่แท้แล้วคือแสดงเอาละนี่ก็ไปอันว่าสามัคคีนี่เป็นหลักการสำคัญของชุมชนนิพนธนามก็จะต้องสามารถประสานความสามัคคีนี้ไว้